ชีวิตของชาวมาพโพได้สงบลงบ้านของยายแล้วก็ตาผมมีความสุขดีเมื่อผีทิดกล้าหยุดอารวาสและทิดหิงที่มาตายในศาลากลางป่าชะก็เงียบไปผีทิดหิงไม่แสดงอะไรเลยตายไปแล้วก็แล้วไปทางตํารวจก็รับหน้าที่สืบสวนการตายอย่างลึกลับของทิดหิงไปอย่างที่มืดมัวบ้านเราก็อยู่อย่างสงบไม่มีวิ ญ, ญญาณผีมาสำแดงเด็ดอย่างที่แล้วอีก ฉะนั้นทางบ้านผมตาและยายก็เลยได้นิมนต์พระมาเทศทุกวันพระตลอดพรรษาชาวบ้านใกล้เคียงก็พร้อมใจกันมาฟังเทศไม่ยอมขาดในยุคนี้ผมเลยได้รู้จักกับพระอีกหลายองค์พระองค์หนึ่งมาเทศก็มีอีกองค์หนึ่งมาเป็นเพื่อนกันเสมอเหมือนตอนจะกลับวัดพระท่านคุยเรื่องไปเที่ยวพระพุทธบาทสระบุรีช่างสนุกจูงใจผมซะจริง เกิดมาได้ยินชื่อพระพุทธบาทแต่ก็ไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสไปนมั ส, สการพระท่านคุยให้ฟังช่างสนุกลึกล้ำเป็นการไปทำบุญที่มีการผจญภัยทางใจและทางร่างกายต้องใช้ความอดทนและก็ความแข็งแกร่งอยู่มากมายในเวลาที่เข้าไปเที่ยวในธรรมพระพุทธบาทนี้ชาวบ้านผมเข้าถือว่าผู้ไม่มีบุญจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ เพราะทั้งหญิงชายหลายคนมาแล้วเคยตั้งใจจะไปนึกแล้วนึกอีกพอถึงกำหนดงานเป็นให้มีอันเกิดขึ้นไม่ได้ไปทุกคราวจนแก่จนเฒ่าฟังพระท่านเล่าแล้วหัวใจผมก็กระวนกระวายนักคุณเชงกับคุณอัน้นท่านเคยว่างานพระพุทธบาทปีนี้ท่านจะไปอีกทั้งสององค์ แล้วก็จะไปอย่างนักท่องเที่ยวเลกลา ย, ลายหรือพระธุดงเกลกลา ย, ลายจะถือเอาว่าพระพุทธเจ้าสร้างขามาให้ก็จะใช้ขาทั้งสองข้างเดินไปจากวัดนี่แหละและให้ถึงพระพุทธบาทจะให้เป็นกุศลจิตอันแรงกลา้าพี่พุกก็เลยพูดขัดขึ้นว่าจะแปลกอะไรล่ะคุณพระธุดงท่านไปได้ทำไมเราจะไปไม่ได้ละ่ะเออจริงของเขาคุณเชงรับเห็นด้วยแต่เราจะไม่ไปกันมากองและจะไม่มีพิธีอย่างทุดง เราจะไปกันเฉยๆค่ำไหนนอนนั่นมีอาหารแห้งๆติดไปด้วยนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เดือดร้อนต้องบินทบาทเขาอย่างพระธุดงตกเย็นจะหาหมู่บ้านเพื่อที่จะพอเขาอาศัยหลับนอนที่ลานบ้านโดยเราจะมีเต็นท์อย่างทหารติดไปด้วยคุณเชงอธิบายหน้าฟังมันเป็นการเดินทางชนิดทดสอบความอดทนของตัวเองอย่างคุณเชงว่านั่นแหละสนุกดีคุณอั้นสนับสนุน การไปธุดงนั้นท่านไปกันมากองปักหลดที่ไหนที่นั่นก็มีคนมาชาวบ้านมาหาอาหารคาวหวานมาถวายมันดูง่ายไปอย่างที่เราจะไปกันเนี่ยไปอย่างคนธรรมดาเดินทางไปถ้าใครทดสอบความอดทนสมัครไปด้วยก็ยังได้นะลองกันดูบ้างไหมล่ะคุณอั้นหยุดคุณเชงก็เลยพูดต่อว่าปีนี้เนี่ยไปแน่เราจะไปอย่างไม่รบกวนผู้ใดจะมีอาหารติดไปพอเดินทาง ถ้าอาหารจะหมดแล้วก็บ่ายหน้าเข้าหมู่บ้านที่มีร้านขายของซื้อให้พอแล้วก็เดินทางลัดไปอีกทําอย่างนี้จนถึงได้นามัสการพระพุทธบาทผมรู้สึกศรัทธานักจะขอเป็นสิทธิ์ติดตามไปด้วยจะขออนุญาตตาและยายขอให้ถึงพระพุทธบาทสักทีในชีวิตและรู้สึกว่าเงินทองเท่าที่ตายายให้ไวบ้างที่ช่วยงานนาของแกผมก็ยังพอมีอยู่แล้วก็การเดินทางอย่างที่ว่ากันนี้ก็ไม่มีการใช้จ่ายอะไรกันนัก จะกินจะอยู่จะทำอะไรก็ทำอย่างชาวบ้านป่าทั้งนั้นตาได้ออกความเห็นว่าการย่นหนทางซะตอนต้นก็คือเดินจากบ้านเราไปขึ้นรถที่บ้านพาชีจนถึงท่าเรือพระพุทธบาทแล้วจึงเดินทางจากที่นั่นค่อยผ่อนคลายความหนักลงไปบ้าง ครั้นถึงฤดูที่จะนมัส ก, การพระพุทธบาทผมได้ขออนุญาตตากับยายแล้วก็ตกลงกับพระท่านผมเตรียมตัวอย่างง่ายๆเพราะมันอยากไปมากกว่าจะอยากสวยอยากงามแม้แต่จะมีเพียงกางเกงขากล้วยสักตัวก็เอาดีผมมีย่มใหญ่มีเสื้อผ้าไปบ้างพอควรพอมีเปลี่ยนหาได้รองเท้ายางที่จะใช้ย่ําส่วนคุณเชงคุณอั้นนะ่ะท่านเตรียมเต็มที่มีเครื่องใช้หลายอย่างท่านมีเต็นท์ที่ทําเองแบบทหาร ถ้ากลางแล้วจะนอนได้สามคนคุณเชงเป็นเชื้อจีนจึงพอมีเงินจะหยิบจะช่วยเรื่องผมกับเจ้าแฟงนั้นแต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้มันเหมือนหน้ามือและหลังมือแต่ก่อนเจ้าแฟงจะขาดผมไม่ได้และผมจะขาดมันก็ไม่ได้เมื่อคราวผมไปอยู่กับนักเกียรติที่กรุงเทพเจ้าแฟงร้องไห้และผมก็ร้องไห้ตั้งแต่ที่พี่พุกออกจากทหารมาอยู่บ้านเจ้าแฟงก็ชักสนิทกับพี่พุกเพราะว่าพี่พุกพูดเก่งรูปร่างก็สวยเก๋ ผิดกว่าผมที่เหมือนควายสังเกตว่าผมจะไปพระพุทธบาทเนี่ยไม่เห็นเจ้าแฟนจะสนใจคล้ายๆว่าจะไม่ใหญ่ดีในการไปอย่างทรมานกายอย่างนั้นผมกับพระได้ออกเดินทางกันตอนบ่ายมุ่งหน้าไปทางหนองตาโรแล้วจึงจะตัดเข้าบ้านพาชีผมดีใจเล็กคึกขนองเต็มที่เดินตามหลังพระอย่างอารมณ์แจม่มใสแทบจะร้องเพลงเลยก็ว่าได้เราเดินกันอย่างไม่ลดละทั้งพระแล้วก็ผม ได้มายึดเอาสถานีบ้านพาชีเป็นที่พักกายในคืนนั้นคอยรถไฟพรุ่งนี้เราจะหาที่นั่งได้ดีและอาจนอนได้บ้างถ้าเกิดง่วงมากๆหน้างานพระพุทธบาทอย่างนี้ที่สถานีบ้านพาชีจะมีคนมาจากทางไกลเดินทางมาคอยรถอย่างเรามากเหมือนกันครึครืคร้นพอใช้ได้มีร้านท้าขายขนมอยู่บ้างซึ่งตัวผมเองนั้นก็พึ่งพาขนมยาท้องเข้าไว้ส่วนพระท่านหมดหนทาง พอเพิ่งได้ก็แค่กาแฟเท่านั้นก็สดกันไประหว่างสดกาแฟ ى, ท่านก็คุยถึงถ้ำมหาสนุกและก็เรื่องที่ภูกลางฟังดูแล้วขนลุกอยากจะถึงซะเร็วๆตามที่ท่านพูดนั้นมันช่างดูสวยงามตระการตาไปตามธรรมชาติและน่าสนุกผมเกิดมาเป็นตัวเป็นตนตยังไม่เคยเข้าใกล้ภูเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยเห็นแต่ไกลๆจากท้องทุ่งดูไปเป็นทิวน้าเงินแก่คล้าๆอยู่ขอบฟ้า ต่อแต่นี้ไปจะได้ขึ้นเขาจริงๆละเข้าถ้าบ้างละจะได้กลับมาคุยให้ฟังสำหรับคนทางบ้านพอรุ่งขึ้นเราสามคนได้ขึ้นรถไฟมาลงที่ท่าเรือพระพุทธบาทผมตื่นเต้นพูดไม่ถูกดูผู้คนช่างคึกคักเอาการรถไฟสายเล็กของพระพุทธบาทน่าดูมากเป็นรถคันเล็กๆไม่มีตัวถังมีมานั่งกันโล่งๆมองเห็นการสนุกกันอย่างว่ากับไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนาะเธอก็มองเห็นฉัน ฉันก็มองเห็นเธอโปร่งไปทุกคันรถน่าสนุกแต่เราไม่มีเรื่องจะขึ้นกับเขาเราจะใช้กำลังความแกร่งกล้าเดินไปสู่โดยทางธุระกันดานเสียงรถไฟสายเล็กเปิดหวีดเสียงยาวเสียงถี่เป็นการเรียกร้องให้เร่งไปซื้อตั๋วหรือเป็นการโฆษณาการเที่ยวป่าดงพงพีบรรดาคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็ใจเต้นตูมตามอยากจะรีบขึ้นนั่งรถพระฉันเพนเรียบร้อยฉันกาแฟเรียบร้อย ผมก็กินข้าวกลางวันแล้วก็ซื้ออาหารแห้งพร้อมมูลแล้วก็ต่างบ่ายหน้าออกจากสถานีรถไฟเล็กมุ่งหน้าไปยังขุนเขาของพระพุทธบาทที่เห็นอยู่ไกลลิบๆการเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางแบบเดาสุ่มโดยมีที่หมายอยู่ข้างหน้าหมู่ขุนเขาอนานานันหนาแน่นเกิดขบขันกันพอดูคือเดินเดินไปเกิดติดน้องน้ำลึกขวางหน้าต้องเดินอ้อมป่าละเมะ บางแห่งน้ำตื้นก็ใช้เดินลุยข้ามเอายิ่งเดินไปก็ยิ่งไม่มีบ้านคนมีป่าบ้างทุ่งบ้างเป็นหย่อมๆเสียงโพระดกร้องอยู่ยอดไม้วิเวกวังเวงใจได้เดินกันมาอย่างไม่หักโหมนักเพราะมันไกลเกินกว่าจะรีบไปให้ถึงได้จึงทวงเวลาเอาสบายๆตัวมันเป็นการชมป่าชมเขาไม่ใช่รีบร้อนอะไรนักเราออกจากสถานีรถไฟก็บ่ายแล้ว เมื่อมาวนเวียนติดหนองติดบึงบ้างก็กินเวลาอยู่พอสมควรเราเดินทางมาถึงตำบลอะไรเราไม่รู้เห็นมีหมู่ไม้ครึ้มแล้วก็มีกระท่อมชาวบ้านป่าอยู่หลังหนึ่งเราก็หันเข้าเพื่อขอที่พักกับเขาในที่ใกล้ๆบ้านของเขาไม่ใช่เป็นการไปรบกวนนอนในกระท่อมของเขาเราพบหญิงแก่เจ้าของกระท่อม ยิงแกร้องเชิญให้แวะกินน้ำกินท่าได้เราก็เข้าไปเจราจาขอพึ่งพาเพียงจะ ก, กางเต็นที่หน้ากระท่อมเท่านั้นไม่รบกวนอะไรมากพอตกตอนเย็นอากาศก็ชักจะเย็นลงมากๆตามฤดูกาลผมจัด ก, การเที่ยวเก็บไม้แห้งๆที่ร่วงหล่นในดงไม้อยู่เยอะแยะจะเอามาคอยสมกันหนาวเพราะว่าเราสามคนจะกางเต็นท์นอนกันกลางแจ้งผมรู้สึกสนุกใจพิลึก นานๆจะได้นอนกลางดินกินกลางทรายกันสักทีในครู่นั้นเองเวลาใกล้พลอเพลสก็มีชายหนุ่มไปไหนกลับมาหอบอะไรต่อมิอะไรมาด้วยยายแ ก, ก่แกบอกอะไรหลายคําในเรื่องเรามาอาศัยนอนหน้ากระท่อมไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นหันมองเราแว บ, บหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจอะไรอีกก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวเก็บของแขวนบ้างห้อยบ้างตากน้ําค้างบ้างตามเรื่องของเขา ในขณะนั้นก็มีเจ้าหมาตัวหนึ่งเป็นลูกหมาขนดำจนแทบมืดเมื่อมองเห็นเจ้าหนุ่มคนนั้นหมาตัวนี้ก็วิ่งเข้าหาด้วยความจงรักภักดีพันหน้าพันหลังร้องงีดงาดไปเจ้าหนุ่มก็เตะกระเด็นไปอย่างไม่ใยดีแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแรงเพราะว่าเจ้าลูกหมานั่นกระเด็นไปอย่างตะกร้อ เจ้าลูกหมาร้องลั่นไปยืนตัวสั่นอยู่ห่างๆพอคะเนห์หายเจ็บแล้วก็ปาดเข้ามาอีกพันหน้าพันหลังตามเคยคราวนี้เจ้าหนุ่มนั่นโมโหถึงกับกระทืบเจ้าหมาน้อยชักพลาดพลาดผมใจหายว่าบไม่คิดว่าจะเห็นการกระทําอย่างนั้นมันคงกระทืบซ้ําอยู่อย่างนั้นหมาก็ชักไปชักมาพระกับผมต่างมองตากันผมหุนหันเดือดใจแม้แต่จะยังเด็กแต่เชื่อกําลังตัวผมจะเข้าไปชกซะให้สาสม คุณอั้นจับแขนผมไว้และคอร้ายที่สุดไอ้หนุ่มนั่นมันมีดาบสะพายอยู่ผมได้สติก็ชะงักยายแก่นั่นก็ประหลาดนักแกมองดูการกระทำของไอ้หนุ่มนั่นเฉยๆไม่ได้ร้องห้ามอะไรเลยเหมือนชีวิตหมานั่นเป็นมดเป็นปลวกทั้งพระสององค์ก็มีสีหน้าโกรธอยู่มากไปจากที่นี่ดีกว่าขืนอยู่ที่นี่นะผมว่าสึกจากการเป็นพระแน่คุณอั้นพูดดีเหมือนกันเรามาทำบุญเนี่ยจะ ก, กลายมาเป็นฆ่าคน คุณเชียงพูดตอบแล้วเราก็รีบช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้าที่จะหิ้วจะหามต่อไปยายแก่หลบหน้าเข้ากระท่อมไอหนุ่มก้มทำอะไรของมันอย่างไม่สนใจกับเราเจ้าลูกหมานั้นนอนตายตัวเหลวเราออกจากที่โดยไม่ร่ำลามันรับแขกแบบนี้จะไปลามันทำไมเราไม่ใช่แขกธรรมดาเราเป็นแขกพระสงฆ์แท้ๆมันรับแบบนี้อยู่ร่วมอะไรกับมันไอ้หัวใจยักษ์ไอหัวใจมาร ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนก็ไม่เคยเห็นใครที่ใจสัตว์เยี่ยงนี้เราเดินไกลาจากที่เก่ามาแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะไม่อยากจะเหลียวไปดูให้สวยลู ก, กตาข้างหน้าเรามีดงไม้ใหญ่มืดมดอยู่มีกระท่อมใหญ่ปลูกแบบโรงนาใช้พื้นดินเป็นพื้นบ้านมีคนอยู่มากคนจุดใต้จุดคบสว่างอยู่เราจึงเซเข้าไปเขาเห็นมีพระเข้าต่างก็ยกมือไหว้แล้วก็รับรองกันวุ่นวาย พระได้เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ชาวบ้านนั้นฟังตั้งแต่ต้นทุกคนหน้าตาตื่นต่างมองหน้ากันแล้วในขณะนั้นก็มีชายที่มีอายุคนนึงถามว่าไอ้บักซอยมันกระทืบลูกหมาดำนั่นใจ่าไม่ขอรับชายคนนั้นถามแล้วเรา3ามคนก็ตอบออกไปเกือบพร้อมกันโดยไม่เฉลียวใจว่าทำไมคนบ้านนี้เข้าถึงถามเราอย่างนั้นในเวลาต่อมาไม่นานนักทั้งหญิงทั้งชายก็เชิญเราเข้ากระท่อม ใครผ่านมาที่บ้านนั้นไอ้บอกซอยก็ทำอย่างนั้นแหละหญิงคนนึงพูดแล้วอีกหลายคนก็หัวเราะกันขึ้นมันเป็นเรื่องประหลาดซะแล้วบ้านไอ้หนุ่มนั่นต้องเป็นอย่างไรซะแล้วตอนแรกชายสูงอายุถามเราถึงไอ้หนุ่มกระทือบลูกหมาดำเราก็น่าจะเอกใจอยู่แล้วแต่อารามที่อยากจะเล่าเรื่องให้เขาฟังก็พูดไปตามเรื่องแต่พอแม่หญิงนี่พูดขึ้นอีกอย่างนี้ผมชักเอกใจมองหน้าพระแล้วพระก็มองหน้าผม นานมาแล้วเจ้าค่ะใครผ่านแวะบ้านนี้มันก็ทำอย่างนั้นทุกทีผู้หญิงคนหนึ่งพูดท่านนอนกันในนี้ดีกว่านะโอ้ยแถวนี้เขารู้กันกลางคืนเนี่ยไม่มีใครผ่านไปบ้านไอ้สอยหรอกเอมันยังไงกันล่ะโยมบ้านนั้นเนี่ยไม่มีคนครับตาคนนั้นพูดแล้วก็หวัวเราะไอ้บักสอยกับยายเนี่ยมันตายมานานแล้วกระท่อมนั้นเนี่ยมันเป็นกระท่อมร้างนะขอรับใครผ่านไปผ่านมาทั้งนั้น มันก็กระทืบหมาดำตัวนั้นทุกทีผมสะดุ้งทั้งตัวใจวูบขนหัวลุกคุณเชงและคุณอั้นตาค้างอา้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าพวกฉันก็โดนเข้าแล้วละสิคุณอั้นร้องถามเจ้าค่ะเอาเข้าทุกคนละค่ะถ้าเข้าไปในที่ของเขายิงไม่ลูกอ่อนพูด พวกเราทุกคนต่างตะลึงนิ่งมองหน้ากันแล้วถอนใจยาวดีที่พวกเราได้ตัดสินใจเข้ามานอนกันซะในกระท่อมตามที่เขาได้เชิญเราถ้ากลางเต็นท์นอนข้างนอกกระท่อมยามดึกเราจะพบอะไรอีกก็ไม่ทราบเท่าที่พบมาแล้วใครจะนึกว่าพบดังนั้นแม้เรานี่เป็นพระแท้ๆมันยังหลอกเราได้คุณอั้นว่าพระอย่างเราไม่ใช่หมอผีมันก็ไม่กลัวเรานะสิคุณเชงพูดแล้วก็หัวเราะแบบแห้งๆ เรื่องผีแล้วก็พระเจ้าอะไรก็เถอะมันเอาทั้งนั้นคนแก่พูดแล้วก็หัวเราะก็เลยหัวเราะกันไปเป็นเรื่องสนุกด้วยกันคนในกระท่อมคนหนึ่งได้จัดการต้มน้ำร้อนแต่ที่ย่านนั้นไม่มีใบชาเขาจึงเด็ดใบอะไรก็ไม่รู้มาให้ปิ้งไฟหอมฟุง้งเอาชงน้ำแทนใบชาเขาถวายพระพระท่านก็ฉันตามศรัทธานั่งไปนึกไปผมก็ยังขนลุก เมื่อตอนไอ้บักซอยกระเทือบลูกหมาดำนั้นผมอยากจะเข้าไปต่อยมันโดยเชื่อเป็นล่าเป็นสันว่าตัวเองมีกำลังและแข็งแรงแต่เข้าไปต่อยจริงๆผมจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เพราะนั่นมันไม่ใช่คนดีแต่ระงับใจไว้ได้เจ้าของบ้านได้คุยอะไรต่ออะไรกับพวกเราเป็นอันดีพวกเด็กๆ เ, เล็กๆห่วงนอนก็นอนกันไปพวกผู้ใหญ่ก็ยังคงคุยกันไป และเขาแนะทางเดินให้เราว่าควรจะยึดแนวทางรถไฟสายเล็กนี้เดินไปจะพบสถานีอีกหลายสถานีแล้วก็จะผ่านสารเจ้าพ่อเขาตกที่ตรงนั้นรถไฟจะหยุดให้คนไหว้เจ้าพ่อกันมีดอกไม้ทูบเทียนจำหน่ายเมื่อถึงสารเจ้าพ่อแล้วจะไม่เดินตามทางรถไฟไปก็ได้เดินตามทางป่าละเมาะแล้วก็ทุ่งบ้างละเมาะบ้างเป็นทางลัดเข้าประพุทธบาทเลย เดินไปก็จะสวนทางกับผู้ที่มาจากเขาพระพุทธบาทจะผ่านสารเจ้าพ่อไปสู่ถ้ำมหาสนุกแล้วก็ผ้กลางเราเดินสวนทางกับพวกนั้นก็จะถึงพระพุทธบาทเองทั้งพระและก็ผมต่างจดจำทางที่เขาแนะนำไว้แม่นยาเป็นอย่างดีเราคุยกันจนรู้สึกง่วงก็เลยหลับไปเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมาตื่นขึ้นเอาสว่างแสงอาทิตย์จ้าพอลืมตาหายง่วงดีแล้ว ผมก็กลับตกใจถึงกับสะดุ้งทั้งตัวเพราะว่ากระท่อมที่เรานอนอยู่นั้นเกิดความผิดแผกไปซะแล้วไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเราสามคนผู้คนทั้งหมดที่เราพูดเราคุยกันเมื่อคืนไม่มีเลยเงียบเชียบข้าวของอะไรอะไรก็ไม่มีแสงอาทิตย์ลอดหลังคาลงมาแจ่มจ้าแงานขึ้นดูจึงเห็นว่าไม่มีแฝกหรือจากมุงหลังคาเลยมีแต่เถาไม้เลื้อยแทนฝากระท่อมก็มีบ้างไม่มีบ้าง มันก็คือกระท่อมร้างนั่นเองทั้งพระและผมเมื่อดูสถานที่ที่เรานอนจนทั่วแล้วก็มองตากันนิ่งงนันพูดไม่ออกพื้นที่ที่เรานอนก็มีต้นหญ้าแล้วก็ไม้เลือ้อยอื่นๆเต็มไปหมดอะไรกันเนี่ยเราถูกผีหลอกซ้ำสองทีเดียวหรือเราไม่มีแก่ใจจะนั่งอีกแล้วรีบเก็บข้าวเก็บของกันอุดตลุดไม่พูดไม่จาอะไรกันอีกเลยเราออกเดินทางกันไปโดยยึดแนวทางรถไฟจากคาผีบอก จนถึงสถานีหนึ่งมีคนบ้างพอสมควรเพราะรถไฟจากท่าเรือยังไม่มายังเช้าเกินไปพวกร้านอาหารเพิ่งจะต้มจะแกงสุกจึงเลยจัดการเรื่องซื้ออาหารถวายพระผมก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาชะตาเรานี้ไม่ดีจริงๆถูกผีหลอกได้ถึงสองหนแต่ครั้นนึกไปคิดไปแล้วก็ตามที่ลูกกะตายังจดจำได้ ดูว่าเราถูกผีหลอกหนเดียวนั่นเองไม่ใช่ถูกหลอกสองหนอย่างที่เรานึกเพราะตอนที่ออกจากกระ่อมมาเนี่ยผมมองดูว่ามันเป็นลักษณะของกระ่อมไอ้บักซอยนั่นเองแต่เราทุกคนคิดว่าเราจากไปแล้วเมื่อคืนเกิดความไม่พอใจไอ้บักซอยและไปพบกระ่อมใหม่และได้พักที่นั่นที่แท้มันเป็นกระ่อมของไอ้บักซอยนั่นเองมันหลอกให้เรารู้สึกว่าเราจากไปแล้วไปนอนในกระ่อมใหม่ผมคิดได้ดังนี้ จึงพูดให้พระทั้งสองฟังคุณเชงพยักหน้าและพูดว่าอืมฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าลักษณะต่างๆมันก็ลักษณะกระท่อมไอ้สอยแต่ทําไมเราว่าเราเดินห่างออกไปมากจึงพบกระท่อมใหม่จะออกมาตอนเช้าเนี่ยชักจําได้ว่านี่มันที่เก่านี่หว่ะพอคุณเชงพูดจบคุณอั้นก็เอามือตบไทถอยตัวเองผมจะพูดแล้วแต่ว่ากเกรงว่าตัวเองจะตาฝาดไปคุณอั้นพูดกับคุณเชง เพราะว่าเราไม้ที่ปากอยู่หน้ากระท่อมที่เราเห็นไอ้บักสอยมันเอาอะไรขึ้นตากขึ้นผึ่งมันก็มีอยู่เหมือนเดิมจริงครับอะไรอะไรมันก็เป็นกระท่อมของไอ้สอยต้นหมากรากไม้ก็มีอย่างเดียวกันผมว่าเมื่อเสร็จอาหารแล้วเราก็เดินทางตามที่ผีบอกเลาะไปตามทางรถไฟจนถึงตำบลเจ้าพ่อเขาตกเราก็แวะเข้าไปที่ศาลผมทําการสักการะบูชาคนเดียวพระท่านไหว้และบูชาใครไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียว เรานั่งกันแถวๆนั้นจนเห็นคนเดินทางมาจากพระพุทธบาทเพื่อจะผ่านไปถ้ำมหาสนุกเราสามคนก็เลยถือโอกาสเดินสวนทางกับพวกนั้นเข้าพระพุทธบาทดีกว่าจะเดินสุ่มไปเพราะว่าเราเดินมามากแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครั้นเราเดินเข้าสู่ลานพระพุทธบาทแล้วผมก็ตื่นเต้นนะัก ผู้คนมากมายมีร้านมีรวงเต็มไปหมดคนเดินกันขวักไขว้ซื้อของกินบ้างอาหารตามร้านอาหารบ้างมีทั้งร้านที่ปลูกขึ้นแล้วก็มีทั้งร้านแบบแบกดินน่าสนุกตื่นใจมีทั้งพวกชาวกรุงเทพแล้วก็ชาวบ้านนอกทั้งจีนและลาวอึ้งคันึงกันไปหมดเราเข้าหาร้านอาหารให้พระฉันเพนแล้วก็เข้าวัดพระพุทธบาทหาน้าอาบเรียบร้อยนั่งพักทอผ้าอาบน้าแล้วก็พับใส่ย่าม เที่ยวที่เล็กๆตามที่พระสององค์ท่านจำนานทางนำไปกะว่าพรุ่งนี้เช้าจึงจะขึ้นปิดทองรอยพระพุทธบาทในวันนี้ไปเที่ยวแค่ถ้ำประทุนก่อนแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าถ้าแล้วก็ขึ้นเขาได้ชมบ่อพรานล้างเนื้อรอยปักหอกแล้วก็ที่คุกเขาลับหอกของพรานบุญพร้อมทั้งถ้ากินนอนถ้าระครัง ต่อวันรุ่งขึ้นเราก็ไปต่ อ, อยังถ้ำวิมานจักรีถ้ำชาละวันรุ่งอีกวันก็ไปถ้ำมหาสนุกผุกลางตามที่พระทั้งสองเล่าให้ฟังจนครบทุกแห่งผมรู้คราวหลังว่ายังมีที่เที่ยวอีกมากโขหากแต่ไม่มีเวลาและก็ไปกันไม่ถูกก็เลยเดินทางกลับคือกลับทางรถไฟมาเดินด้วยเท้าเอาเพียงบ้านพาชีกลับมาบ้านมาปโปเท่านั้น